เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาสิ่งมาภาวนามาฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการดูแลจิตใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่ใจความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นความสุขความทุกข์เพียงเล็กน้อยถ้าใจสุขหรือใจทุกข์แล้วความสุขหรือความทุกข์ทางร่างกายจะถูกกลบไปหมดเลยเช่นเวลาเรามีความสุขใจ ถึงแม้ว่าเราจะไม่สบายทางร่างกายเราจะรู้สึกไม่เดือดร้อนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีความสุขทางร่างกายแต่ใจเรามีความทุกข์เราก็จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขนี่คือเรื่องของใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเรา เพราะเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ใจนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเราอย่างถาวรเวลาที่ร่างกายนี้ดับไปแล้วตายไปแล้วเราก็ต้องไปกับใจต่อไปสู่ความสุข หรือไปสู่ความทุกข์อยู่ที่ว่าเราได้ดูแลรักษาใจเรามากน้อยเพียงไรถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจเราก็จะไปสู่ความทุกข์ไปสู่ภพชาติที่ไม่ดีก็คือไปสู่อบายถ้าเราดูแลรักษาใจเราดีเราก็จะไปสู่ภพชาติที่ดี ไปสู่ภพชาติที่มีแต่ความสุขการดูแลรักษาใจจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนถึงแม้จะมีมากถึงแม้จะมีมากมายกายกองขนาดไหนก็ตามแต่ทุกคำสอนนี้ มีเป้าหมายอยู่ที่เดียวกันคืออยู่ที่การดูแลรักษาใจให้มีความสุขไม่ให้มีความทุกข์และคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสรุปลงได้ในสามหัวข้อใหญ่ๆที่เป็นวิธีรักษาใจที่สำคัญที่สุดก็คือหนึ่งทานการให้สอง ศีลการไม่ทำบาปสามภาวนาการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คืองานสามขั้นด้วยกันที่จะมาดูแลรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบงเพ็ญมาแล้วจนพระทยของพระพุทธเจ้านี้มีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่เหมือนกับความสุขของพวกเราที่จะสุขทางร่างกายแล้วก็สุขเพียงเดียวเดียวแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมา เวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสกับความสุขเช่นเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปหรือสูญเสียบุคคลที่รักไปความสุขที่เคยได้รับก็จะอันตรธานหายไปเหลือแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ น, นี่คือเรื่องของความ สุขความทุกข์ทางร่างกายที่พวกเราถูกความหลงหลอกให้ไปแสวงหากันเราถูกความหลงหลอกให้เราแสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเราคิดว่าเป็นความสุขแต่เราไม่เคยสังเกตดูเลยว่ามันเป็นความสุขแบบไหน เป็นความสุขที่ถาวรหรือไม่เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์หรือไม่เราไม่เคยคิดกันเลยเราเป็นเหมือนพวกที่ติดยาเสพติดที่ไม่เคยคิดถึงโทษหรือของความทุกข์ที่เกิดจากการเสพยาเสพติดเลยพวกเราจึงยังต้องมีความทุกข์กันอยู่ในทุกวันนี้ เราก็ทุกกับสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานั่นเองเช่นเราทุกขกับเงินทองเพราะว่าเงินทองมันก็ไม่เที่ยงเวลาเงินทองหมดไปเราก็ต้องทุกเพราะเราไม่มีเงินทองที่จะมาซื้อความสุข ต, าต่างๆให้กับเราเราจึงต้องทุกกับการหาเงินหาทองลำบากลำบน ดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาประการกว่าจะได้เงินทองมาพอได้มาเราก็เอาไปซื้อความสุขต่างๆพอซื้อแล้วเงินทองนั้นก็หมดไปความสุขที่เราได้จากการซื้อสิ่งต่างๆมันก็หมดไปด้วยมันไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจที่จะ ดูแลรักษาใจของเราให้มีความสุขต่อไปเวลาที่เราไม่มีเงินไปซื้อความสุขนี่แหละคือความสุขที่เรียกว่าสุขปลอมไม่ใช่เป็นสุขจริงถ้าสุขจริงแล้วต้องสุขอยู่ตลอดเวลาต้องให้ความสุขกับเราไปได้เรื่อยๆแต่นี่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันเป็นความสุขปลอม ความสุขแบบควันไฟลอยมาแล้วก็จางหายไปดังนั้นพวกเราจึงควรพิจารณาถึงโทษของการที่เรามาหาแสวงหาความสุขแบบนี้คือแสวงหาความสุขจากการได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นโน้นโพธิภชนิดต่างๆ พอเป็นความสุขชั่วคราวประดิบประดาแล้วก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปล่อยให้เราเศร้าโศกเสียใจปล่อยให้เราหิวกระหายอยากจะได้เสกได้สัมผัสกับความสุขเหล่านี้ต่อให้เราได้เสกได้สัมผัสมากน้อยเพียงไรไปจนวันตาย ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่ก mm ็ยังจะหิวยังอยากอยู่ mm hmm. ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเวลาตายไปความหิวความอยากนี่แหละที่เป็นตัวผลักดันให้ใจของเราต้องไปหาพบชาติใหม่เพื่อเราจะได้เสกความสุขต่อไปอีกทุกครั้ง mm hmm. ที่เราไปเกิดเราก็จะต้องพบกับความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดจากการพัดพาจากบุคคลและสิ่งที่เรารักไปอย่างที่เป็นอยู่กับพวกเราทุกวันนี้พวกเรายังต้องพบกับความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการสูญเสียบุคคลที่เรารักสิ่งที่เรารักไป ถ้าเราไม่มาดูแลใจของเรามาสร้างความสุขที่ใจของเรามาดับความทุกข์ที่ใจของเราเราก็จะต้องทุกทรมานอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดเกิดมาตายไปกี่พบกี่ชาติก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทุกข์ใหม่แล้วก็มาตายใหม่มาเกิดใหม่เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้ว พวกเราเป็นพวกที่มีบุญวาสนามีโชคที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์พบกับความสุขที่ไม่ต้องพาให้เรา ไปเวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรง ค, รค้นพบคือความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขใจนี้เองความสุขใจก็เกิดจากการทําทานเกิดจากการรักษาศิลเกิดจากการภาวนาเวลาเราทําทานเราจะได้รับความสุขมากกว่า เวลาที่เราเอาเงินที่เราจะทำทานนี้ไปซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือเอาไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราไปเที่ยวเราก็มีความสุขขันที่เราไปเที่ยวพอเรากลับมาบ้านเราก็รู้สึกเศร้าส้อยหงอยหงาว้าวิเหมือนเดิ แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราไปจะไปไปใช้ใน ก, การไปเที่ยวนี้มาทาบุญเราก็จะได้ความสุขใจความอิ่มเ อ, อิบใจเราก็จะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหน่อยหเหงาว่าเวเพราะว่าใจเรามีความอิ่มมีความสุขไม่มีความหิวที่จะอยากจะออกไปเที่ยวนั่นเอง เราก็จะอยู่บ้างได้อย่างสบายใจไม่รู้สึกว่าเวไม่รู้สึกเศร้าส้อยหน่อยหางึงนี่คือความสุขใจที่เราจะได้รับจากการทำทานการทำทานก็คือเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ที่เราจะเอาไปใช้ซื้อความสุขด้วยการไปเที่ยว หรือซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือซื้อของหรูหราต่างๆหรือซื้อของที่ไม่จําเป็นเช่นเสื้อผ้าอาภรที่เรามีอยู่ล้นตู้หรือแล้วรองเท้าก็ดีกระเป๋าก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ซื้อมาแล้วมันไม่ได้ทําให้เรามีความอิ่มใจ แต่กลับจะทำให้เกิดความหิวใจขึ้นมาอยากจะได้ซื้ออยากจะได้อีกอยากจะซื้ออีกบ้านเราจึงล้นไปด้วยข้าวของต่างๆแล้วใจของเราก็ล้นไปด้วยความหิวความอยากล้นไปด้วยความทุกเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใจด้วยการให้ทานนั่นเองดังนั้นเราควรที่จะมา แก่พฤติกรรมของเราเวลาที่เราจะเอาเงินไปซื้อความสุขด้วยวิธีการต่างๆก็ขอให้เราเอามาซื้อความสุขด้วยการทําทานเพราะจะไล่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ทําให้เราอิ่มให้เราพอในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นความสุขที่เต็มที่ แต่อย่างน้อยก็จะเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของความสุขของใจถ้าเราทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถทำความสุขให้กับใจของเราได้ในระดับที่สองก็คือการรักษาศีลไม่ทำบา เพราะถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เรายังทำบาปอยู่ก็จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลที่จะต้องไปรับใช้กรรมไปรับใช้บาปที่ทำเอาไว้นั่นเองถ้าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำกรรมเราก็จะไม่มีความทุกข์ ที่เกิดจากความวิตกกังวลและผู้ที่จะทำผู้ที่จะรักษาสิ่ไม่ทำบาปได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจบุญสมทานคือเป็นผู้ที่ชอบทำทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความสุขแก่ผู้มคนที่ชอบให้ความสุขชอบช่วยเหลือผู้ น, นี้จะไม่ชอบให้ความทุกข์แก่ผู้ จะไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นทุกครั้งเวลาจะทำอะไรจะต้องคำนึงเสมอว่าทำไปแล้วทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือปเปล่าก็จะเป็นผู้ที่ไม่ชอบการกระทำบาปจะเป็นผู้ที่ชอบรักษาศีลการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่ง่ายดายของผู้ที่ได้ทำบุญให้ทานมา เป็นประจำอยู่แล้วนี่คือความสุขของใจขั้นที่สองถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ใจเรามจีจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจะมีความมั่นคงจะไม่หวั่นไหวจะไม่วิตกหวาดตัวกับภัยต่างๆเพราะเราไม่ได้สร้างภัยให้กับเรานั่นเอง เมื่อเราเห็นความสุขระดับที่สองแล้วก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของความสุขใจเพิ่มมากขึ้นไปจนทำให้เราอยากจะได้ความสุขที่มากไปกว่านี้ mm hmm. ก็จะต้องบำเพ็ญการสร้างความสุขข้อที่ส mm hmm. ก็คือการภาวนา mm hmm. การภาวนานี้ก็จะแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกัน ท่านแรกเรียกว่าสมถภาวนาะคือทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขต่างๆที่เคยได้รับได้สัมผัสมาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้ราบยศเสริญได้รูปศสียงกลิ่นสดได้ทำทานได้รักษาสิ่เป็นความสุขที่สูงสุด เพียงแต่ว่าเป็นความสุขที่เรายังไม่สามารถรักษาให้อยู่กับใจเราได้ถาวรจะเกิดขึ้นเวลาที่เรานั่งสมาธิควบคุมความคิดของเราเช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปจนใจรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วตอนนั้นใจของเราก็จะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ แต่เราก็จะอยู่ในสมาธินี้ได้ไม่นานก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาพอใจเราเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มสัมผัสรับรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะมาทำลายความสุขที่เราได้จากความสงบพอใจจะไม่สมุดแล้ว ใจจะเริ่มมีความอยากความากังวลกยกร ะ, ะสับกระส่ายหรือถ้าเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบหลังจากที่เราออกจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจ ทุกครั้งเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาก็ให้สอนใจว่าความอยากนี้จะทำให้ความสงบหายไปจะทำให้เกิดความทุกข์กลับคืนขึ้นมาดังนั้นถ้าเรารู้ความจริงอันนี้เราจะได้ฝืนความอยากได้เพราะเราไม่อยากจะทุกข์นั่นเองมีใครอยากจะทุกข์บ้างเรามีความสุขอยู่แล้วที่เกิดจากความสงบ ตอนนี้เรามีหน้าที่เพียงแต่คอยรักษาความสุขนี้เท่านั้นเองถ้ามีปัญญาสอนใจทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรอยากจะดูอยากจะฟังอะไรถ้าไม่ปัญญามาบอกว่าอย่าไปอยากเพราะความสุขที่เราจะได้มันจะสู้กับความสุข ที่เราม่อยู่ในขณะนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราอยากแล้วมันก็จะทำให้ความสุขที่เราไม่อยู่คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้หายไปนี่นี่คือหน้าที่ของปัญญาต้องสอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์อันนี้เป็นความรู้ที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถรู้ได้ด้วยพระองค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ความจริงอันนี้ความจริงที่ว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากของเราเองพวกเราก็จะไม่มีวันรู้วิธีแก้ความทุกข์ใจเพราะเวลาเราเกิดความไม่สบายใจแทนที่เราจะแก้ที่ใจแก้ที่ความอยาก เราก็ไปแก้ในสิ่งที่เราคิดว่าทำให้เราไม่สบายใจเช่นเราสูญเสียคนรักไปสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียแฟนไปเราไม่สบายใจเราว้าเวเราก็ไปแก้ด้วยการไปหาแฟนใหม่หาสามีใหม่หาภรรยาใหม่แล้วเราก็ต้องกลับมาทุกขแบบเดิมอีกทุกับสามีทุ ก, กับภรรยาทุ ก, กับแฟน เวลาที่เขาจากเราไปนี่คือวิธีแก้ปัญหาของพวกเราแทนที่จะแก้ปัญหาที่ใจของเราให้เห็นว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากให้แฟนให้สามีให้ภรรยาอยู่กับเราแต่เขาไม่เป็นเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาไม่อยู่ บางทีเขาอยู่แต่เขากลับไม่ดีตามที่เราอยากให้เขาดีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นเราจึงควรมาแก้ที่ความอยากมีสามีอยากมีแฟนอยากมีภรรยาจะดีกว่าเพราะถ้าเราหยุดความอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีแฟนได้เราก็จะได้ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีแฟน เราอยู่คนเดียวได้เพราะเรามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองนี่คือการใช้ปัญญาเราจะใช้ปัญญาได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิมีความสงบก่อนเพราะถ้าเราไม่มีความสงบนี้ใจของเราจะมีความหิวอยู่ตลอดเวลาจะมีความอยากตลอดเวลา ต่อให้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนอย่างไรเราก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้เช่นคนที่อยากดื่มสุราอยากสูบบุหรี่อยากเสพยาเสพติดถ้าเขายังนั่งสมาธิไม่ได้ยังทำใจให้สงบไม่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนว่า ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากสูบบุหรี่อยากดื่มสุราอยากเสพยาเสพติดบอกไปยังไงใจก็ไม่เชื่อไม่ฟังจะไม่ยอมหยุดหาสุรามาดื่มหาบุหรี่มาสูบหายาเสพติดมาเสพเพราะเวลาที่ไม่ได้ทำนั้นใจมันทุกข์ทรมานมากนั่นเองดังนั้นการที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อมา หยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้นี้เราต้องมีความสงบของใจก่อนเพราะถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการสุรี่ดื่มสุราเสพยาเสพติดแล้วพอเราเกิดความอยากขึ้นมา เราก็นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหยุดความอยากได้เราก็จะสามารถรักษาความสงบของใจให้อยู่กับเราได้ต่อไปถ้าเราทําอย่างนี้กับความอยากทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดกําลังไปเพราะไม่สามารถหลอกให้เราไปทําตามความอยากได้นั่นเอง พอเราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วเราก็จะมีความสงบความสุขที่ถาวรที่อยู่กับเราไปอยู่กับใจไปตลอดเพราะใจไม่มีวันตายนั่นเองความสุขที่อยู่ในใจก็ไม่มีวันเสื่อมต่อให้ร่างกายของเราจะทุกข์ขนาดไหนก็ตายเช่นจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตาย จะสูญเสียสิ่งที่เรารักสูญเสียบุคคลที่เรารักไปความทุกข์เหล่านี้จะไม่สามารถมากลบความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เลยใจของเราจะไม่สะทกสทานกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพลาคจากสิ่งต่างๆไปเลยนี่แหละที่เรียกว่าปรมังสุขข k h a m มม l สุข เป็นอย่างนี้เองเกิดจากการทำทานรักษาศีลเจริญสมถะภาวนาแล้วก็จเจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือจเจริญปัญญาสอนใจให้เข้าถึงพระอริยสัจสี่อริยสัจสีก็คือทุกใจที่เกิดจากความอยากนี้เองวิธีที่จะดับความทุกข์ใจดับความอยาก ก็ต้องดับด้วยปัญญาคือความจริงความจริงที่ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากนี้เองถ้าเราเข้าถึงอริยสัจสินี้แล้วเราก็จะรู้จักวิธีรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไปตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเวลาใดพบใดชาติใดเราก็จะไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไป เพราะเราเห็นอยู่ในใจของเราแล้วว่าความอยากนี่ เ, เป็นตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจนี่คือวิธีดูแลรักษาใจของเราที่มีความสาคัญกว่าร่างกายเพราะใจเป็นสิ่งถ้าวร่างกายเป็นสิ่งชั่วคราวอย่าไปดูแลสิ่งชั่วคราวดูแลดีอย่างไรไม่ที่สุดมันก็ต้องเสื่อหมดไป เราควรหันมาดูแลสิ่งที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดดีกว่าให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไปกับเราไปตลอดนี่คือวิธีรักษาใจของเรารักษาด้วยการทำทางรักษาศีลและภาวนาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาดูแลรักษาใจให้มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกนี้ให้ท่านได้นำามเมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศศีรัตนไตรและบุญกุศมที่ท่านได้มาบัพเพิ่กันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณัสุขะบาลโดยทั่วหน้ากันเธอ